s h a r a m a c h m g a t c h a m h a m m s h a r a a m g a c h a m h a m m s h a r a a m g a c h a m h a m m s h a r a a m g a c h a m s a g h a m s h a r a a m g a c h a m อย่างเราเนี่ยนิ่งก็หลับตื่นก็ฟุง้งใช่ไหมมีสองอย่างเนี่ยถ้านิ่งไม่ได้นิ่งแล้วหลับพอจะคิดอะไรก็ฟุ้งไปทั่วเลยอันนี้เราแย่แล้วนะแก้อย่างไงเนี่ยถ้าเรามีลักษณะแบบเนี้ยเป็นคนคิดอะไรหลายเรื่องพร้อมกันก็แ ก, ก๊ก็แกก็กแ ก, ก้ไปเรื่อยเงี้ยฟุ้งไปวั น, ว, นวันเงี้ยกับการว่นิ่งไม่ได้นิ่งก็หลับเงี้ย แก้อย่างไงเคยคิดแก้ตัวเองไหมเอาเคยคิดแก้ตัวเองไหมที่เป็นแบบแก้อย่างไงวิธีแก่จะแก้อย่างไงเนี่ยนิ่งหลับตื่นฟุ้งอะ่ะนี่ปัญหาใหญ่สังคมไทยนะเพราะว่าสังคมไทยเนะี่ยเด็กที่มาอยู่เนี่ยเป็นประเภทนิมนต์นะประเภทที่นิ่งหลับแล้วก็ตื่นฟุ้งกันทั้งนั้นเลยเนี่ยทําอะไรสองอย่างสามอย่างรพร้อมๆกันยังผิดพลาดมาตลอดจะแก้แก้ปัญหาสังคมไทยกันยังไง จะแก้ปัญหาตัวเราเองยังไงถ้าตัวเราเป็นแบบนั้นด้วยจะแก้ยังไงเออจะแก้ยังไงก็ตีบตันกันหมดแล้วทีเนี้ยทางโลกเนี่ยตีบตันหมดแล้วจะแก้ยังไงแล้วไม่ฟังทำคำสอนบัวเจ้าแล้วไม่รู้ตัวด้วยถ้าแก่ตัวไปก็เป็นแบบนี้พอเพีตีนิ่งก็หลับตื่นก็โฟุ้งก็พูดไปทั่วจะแก้ยังไงไอ้พวกเราเนี่ยเดินไปหาความแก่ความความชรากันทั้งนั้นแล้วก็จะไปเป็นกันแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่รีบแก้เดี๋ยววันนี้ยวันข้างหน้าแล้วก็กลายเป็นคนนั้นแหละ ใช่ไหมเราก็จะวันวันหนึ่งแล้วก็จะพ้งซ่านกันไปวันวันแล้วก็จะไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีอะไรเลยดูเหมือนดีแล้วก็ฟังก็ไม่เข้าใจฟังก็ไม่รู้เรื่องดูเหมือนดูเหมือนเข้าใจดูเหมือนรู้เรื่องอ่ะแต่ก็ไม่รู้เรื่องเด่๋ยนี้อาจารย์ไปบรรยายทาที่ไหนก็เป็นนั่องเศร้าใจแล้ววิเกลือสังคม ป, ประเภทถึงนึกนึกท้อแล้วท้ออีก เขาเข้าไปกันไกลแล้วเขาไปกันไกลจากนาไม่เขาไม่รู้จากคุณของพระเจ้าแล้วเขาไม่รู้เขาจะแก้ยังไงด้วยเขาไม่รู้หรอกว่าอุทธจักรต้องแก้แบบนี้ทีนามิทะต้องแก้แบบนี้ใช่ไหมถ้าทัแก้แก้ให้ตื่นขึ้นมาเปียเจมันจะพุ้งก็ต้องมาแก้ตัวอุทธจกักรพอมันแก้อุทธจักรได้เบียเศมันจะเข้ามาสงบเบ็ยเศงก็มาแก้ทีนามิธาเขต้องแก้สองตัว ซึ่งเป็นฐานข้อมูลค่อนข้างที่ต้องใช้อะไรเยอะมากตรงเนี้ยเขาจะต้องฟังธรรมอะ่ะเขาจะต้องฟังธรรมอย่างนอบน้อมอะ่ะเขาต้องมาสมาทานใหม่ตั้งใจใหม่เขาต้องหาคนที่เขาศรัทธาจริงๆด้วยนี่ถ้าเขาไม่ศรัทธาจริงๆเนี่ยไม่เชื่อมั่นต่อต่อต่อพระพุทธเจ้าจริงแล้วไม่หาคนสื่อคําสอนพระพุทธเจ้าให้เขาแล้วเขาไม่เชื่อมั่นทั้งหนั้นจริงๆก็ไปไม่รอเลยเขาก็าฟังสักด์แต่ว่าฟังไปวันๆนะ่ะเขาก็ <c oughs> มันก็ถามว่า ด, ดีไหมดีตอนที่เขาจิตก็เป็นกุศลแต่ระหว่างกุศลกับบาปเขให้ไปเลือกตรงนี้ก็ไปพิจารณาให้ชัดความพุ้งท่านก็เป็นการปิดกั้นข้อมูลการหลับก็เชื่อเป็นการปิดกั้นข้อมูลและทิฏฐิเป็นต้อนอะไรนี้ก็เชื่อเป็นการปิดกั้นข้อมูล <c oughs> โอในรายละเอียดมันจะไปอีกสูตรหนึง่งเนี่ยปฏิบยายนหลีกเลี่ยงตรงเนี้ย เพราะจะไปอีกสูตรหนึ่งเป็นเรื่องยาวเลยเช่นแก้ไขวิจิกริชาต้องใช้หกวิธีอย่าเงี้ยอุทจาระหกวิธีอเงี้ยทีนี้ไม่ได้หกวิธีอย่เงี้ยก็เป็นเรื่องยาวเลยวันนี้ไม่จบเลยอย่างเงี้ยนะอันตรงนี้ก็คือฝากให้มองมุมตรงนี้เข้าไว้มันมีหลักการแก้คืออันแรกเลยที่ต้องใช้แก้คือใช้ตัวโยนิสมาเลสิการเป็นผู้มีการพิจารณารมด้วยปัญญา ฉะการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาการทําความรู้เข้าใจให้ท่องแท้นั่นแหละอันนั้นแหละจะเป็นปัจจัยแก่การที่ทําให้เราทําให้ตัวอื่นนี่ยค่อยค่อยชัดขึ้นเพราะโยนิสโสจะมาได้จากอะไรไมาจากการฟังการฟังจะมาได้ก็ ก, การครบสัตว์บุรุษใช่ไหมการครบสัตว์บูรุษ ก, ก็ฟังทำแล้วน้องดีๆฟังจริงๆนะเพืจะแก้ไขปัญหาตัวเองเนะี่ยคือมันอย่างนี้ว่า ถ้าเราคิดว่าตัวเรามีปัญหาเนี่ยมันแย่ง่ายแต่จะไปคิดว่าตัวเราไม่มีปัญหาเสร็จแล้ว จ, จบเลยใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเรามีทุกข์เราจึงมาเพ้ามาฟังธรรมของพระพุทธเ้าถ้าไปคิดว่าชีวิตของเรามันไม่ทุกข์ใจอะไรหรอกแล้วเราก็อยู่กับความคิดเดิมๆของเราอย่าลืมอย่าลืมได้ความคิดของเราเป็นความคิดที่มันไม่ถูกแล้วถูกจิตแล้วหลอกอ่ะถูกหลอกมานานแล้วด้วยเช่นเช่นเพียงยอมงามพิษเ น, นี่ยตั้งอธิยาไส้ว่าจะมาเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเ้าใช่ไหม ก็ได้เป็นแล้วตอนนี้เป็นสมใจอยากแล้วเป็นตั้งนานแล้วตั้งอธิยาสายมาหลายภพเนี่ยนี่มาเป็นแล้วเกิดมาเป็นเสร็จปุ๊บก็มีทะเบียนเป็นพุทธเลยอเนี่ยเป็นเลยนะเป็นตั้งแต่เกิดเลยอันนี้บุญดีมากๆานี่คือคนตั้งบุญไว้แต่ทั้งๆที่มาเป็นพุทธเนี่ยอันนี้บุญบุญในดีดีอ่ะแต่พอมาแล้วเนี่ยเราย่อหย่อนมันเหมือนเรามาปลูกต้นไม้อ่ะพอปลูกต้นไม้เป็นเสร็จปุ๊บ เราต้องการผลผลก็คือมีการออกดอกออกผลจนได้กินได้ได้บริโภคใช่ไหมนี่เราเป็นต้นไม้ต้นนั้นแล้วแต่ต้นไม้ต้นนั้น่ผลมันยังไม่ออกตอนนี้เราเป็นอุบาสิกาแล้วแต่ผลมันยังไม่ออกอะไรคือผลโสดาปิผลง การบรรลุโสด็จดาวปฏิผลยังไม่ได้สกาธาคามีผลไม่ต้องพูดถึง น, นาคามีผลไม่ต้องพูดถึงเพราะคุณธรรมของอุบาสิกาต้องบรรลุให้ได้สามผลใช่ไหมถึงจะเชื่อว่าบรรลุสูงสุดของความเป็นคารวะในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเนี่ยถ้ายังไม่บรรลุแปลว่าต้นไม้นี้ยังไม่ออกแต่ยังไม่ทันออกผลแล้วก็โค่นโค่นโดยการลมให้ใยขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกงานไม่เสร็จตอนนี้งานไม่เสร็จ เราไม่ใจจะขาดก่อนแล้วเรายังไม่ทันได้บรรลุเนี่ยงานไม่เสร็จ